เ้าสิเสังคุปโปสถาทิปประเภทว่าด้วยประเภทแห่งอุโบสถมีอุโบสถเป็นการส่งเป็นต้นเรื่องภิกษุสี่รูป3มรูปสองรูปและ1รูปทำอุโบสถ3อย่างตามลำดับเรื่องภิกษุสี่รูปยกปาติโมขึ้นแสดงข้อ168 สมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุอยู่ด้วยกันสี่รูปภิกษุเหล่านั้นได้มีการสนทนากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุพึงทําอุโบสถ ด, ดังนี้ก็พวกเรามีเพียงสี่รูปจะพึงทําอุโบสถอย่างไรหนอะจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุสี่รูปยกปาฏิโมกข์เคลนแสดงเรื่องภิกษุสรูปทำปาริสุธิอุโบสถสมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุอยู่ด้วยกัน3รูปภิกษุเหล่านั้นได้มีการสนทนากันดังนี้ว่าพราะผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุสี่รูปยกปาฏิโมกข์เคลนแสดงก็พวกเรามีเพียงสมรูปจะพึงทำอุโบสถอย่างไรนอนจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคราบสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุสามรูปทําปาริสุธิอุโบสถวิธีทําปาริสุธิอุโบสถสําหรับภิกษุสามรูปและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายก็แล่เพิงทําปาริสุธิอุโบสถอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถเพิงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่า ท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันอุบสถสิบห้าค่ำถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วเราทั้งหลายเพิ่งทําปาริสิทธิอุโบสถแก่กันและกันภิกษุผู้เทระเพิ่งห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยงประนมมือบอกภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าคาบอกปาริสิทธิสําหรับภิกษุมีพรรษาแก่กว่าท่านทั้งหลายผมเป็นผู้บริสุทธิ์ ขอท่านทั้งหลายจงจําผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านทั้งหลายผมเป็นผู้บริสุทธิ์ขอท่านทั้งหลายจงจําผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านทั้งหลายผมเป็นผู้บริสุทธิ์ขอท่านทั้งหลายจงจําผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ภิกษุผู้นวกาเพึ่งหุมอุตราสง์่วียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยงกระนมมือบอกภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าคําบอกปาริสุทธิที่สำหรับภิกษุมีภาษาอ่อนกวา่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายผมเป็นผู้บริสุทธิ์ขอรับขอท่านทั้งหลายจงจำผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านผู้เจริญทั้งหลายผมเป็นผู้บริสุทธิ์ขอรับขอท่านทั้งหลายจงจำผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านผู้เจริญทั้งหลายผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับขอท่านทั้งหลายจงจำผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุอยู่ด้วยกันสองรูป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 เราอนุญาตให้ภิกษุสองรูปทำปาริสทธิอุโบสถวิธีทำปาริสทธิอุโบสถสำหรับภิกษุสองรูปภิกษุทั้งหลายก็แล่พึงทำปาริสทธิอุโบสถอย่างนี้ภิกษุผู้เทระพึงหมอุตรารงเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยคประนมมือบอกภิกษุผู้นวาวการอย่างนี้ว่าคำบอกปาริสทธิสำหรับภิกษุมีรษาแก่กว่าท่านผมเป็นผู้บริสุทธ ขอท่านจงจำผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านผมเป็นผู้บริสุทธิ์ขอท่านจงจำผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านผมเป็นผู้บริสุทธิ์ขอท่านจงจำผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ภิกษุผู้นวกาพึ่งโมโมตราชงเสียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประโยงประนมมือบอกภิกษุผู้เทระอย่างนี้ว่าคำบอกปาริสุทธิ์สำหรับภิกษุมีพรรษาอ่อนกว่า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 ภิกษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุสรูปยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงให้ภิกษุสารูปทำปาริสุทธิอุโบสถให้ภิกษุสองรูปทำปาฏิสุทธิอุโบสถก็เราอยู่เพียงรูปเดียวจะพึงทำอุโบสถอย่างไรหนอภิกษุนั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุอยู่รูปเดียวภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่ที่ภิกษุทั้งหลายต้องกลับมาคดุงฉันหรือมณดบหรือโคนไม้ก็ตามแล้วตั้งน้ําฉันน้าใช้ปูอาสนะตามประทีปแล้วนั่งอยู่ถ้ามีภิกษุเหล่าอื่นมาพึงทําอุโบสถกับภิกษุเหล่านั้นถ้าไม่มีมาพึงอธิษฐานว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถของเราถ้าไม่อธิษฐานต้องเอาบิทุกขกด ภิกษุทั้งหลายแนว่าที่มีภิกษุสี่รูปไม่พึงนำปาริสทธิของภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วอีกสรูปยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงถ้ายกขึ้นแสดงต้องอบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายแนว่าที่มีภิกษุสรูปไม่พึงนำปาริสธิของภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วอีกสองรูปทำปาริสทธิอุโบสถถ้าทำต้องอบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลาย ในวาดที่มีภิกษุสองรูปไม่พึงนำปา ร, ริสทธิของภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วอีกรูปหนึ่งอธิษฐานท่าอธิษฐานต้องอบัตทุกกด